พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูสอนภูมสมบัติเต็มภูสอนและพานสมบัติเต็มภูแล้วทุกๆพระองค์ก็มาสอนเต็มภูมิจกว่กันหมดมาได้วเบล่าพอ ร, ระโบกันเลยทัาเทวมนุษย์กางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและก็บรรลุด้วย ศัสทั้งศาสพยัญชะนะหังเกวราปริปุนหังบริสุทธิ์ทางพมุชจริยังประกาศเสียเสียวันยวลทั้งเรืองต้นเางกลางเรืองท้ายเรื่องต้นคืออะไรคือทานชินภาวนาทานชินภาวนาก็ว่าศินสมาธิปัญญาก็ว่าไตรสิกขาก็ว่าเบื้องต้นพระโสดามันก็ว่า สักคาคามีก็ว่าเบื้องกลางก็อนาคามีก็ว่าเบื้องใา้คือพระหันก็ว่าเบื้องต้นคือมนุษย์สมบัติก็ว่าเบื้องกลางคือสวรรค์และกรมสมบัติก็ว่าเบื้องไท้คือพระหันก็ว่ามีความหมายตรงกันที่นี่พวกเราดาเนินถูกตามคำสอนของพระองค์หรือไม่ หรือยังไม่ถูกอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพิจารณาดูตนเองให้เป็นสันทิษทิโกสันทิษทิโกคือเห็นเองปัจจตังคือรู้เฉพาะตนระากาิโกมีอยู่ทุกการคำสอนพระพุทธศาสนาเอหิปัจจิโกเรื่องเรียกให้ตนและท่านผู้อื่นมาดูได้โอปะนิโก น้อมทาเข้ามาใส่ใจหรือน้อมใจไปหาธรรมันจะต่างเห็นเฉพาะตนชัดถ้าไม่เห็นเฉพาะตนชัดมันก็ปฏิบัติไม่สะดวกจึงปล่อยให้เห็นด้วยตนเองให้มีอิสระเห็นเองถ้าข่มเหงให้มีอิสระเห็นแลวก็ไม่ใช่จะข่มเหงกันได้นี้จ้างให้เห็นอย่างนี้พอหมดตางแล้วก็ขบคืน เหตุฉะนั้นจึงให้มีสิทธิ์เห็นเองอันวินโยชนจะรู้แจ้งเฉพาะตนเมธิตาโมวินโยยิเตชุบจักรพโนภะกบโตเศ้าข้าสั้งโคเระสง์สาวกของพระภูมิวิาภาเจ้านั้นเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอุชุปกิพโนภะกบะโตเศ้าขัาสรงโคเระสง์สาวกของพระภูมิวภาเจ้านั้น เป็นสักคาคายมะสักคาคายผลญายปจิปโนภะกมโตสศร้ากับสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพมืนพระภากเจ้านั้นเป็นอนณาคามะกอนณาคามยผลสามีคือพจิปโนคะกมโตสศร้ากับสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพมืนพระภากเจ้านั้นเป็นอนณาคามะกอาณาคายผลจัตาริโคแห่งมุรุษสี่ โซดาปัจมักโซดาปัจผลเป pues ็นค cool er <อ> pues ู่ที daylight, ่หน <im> ึ่งสกทาคามีมักสกทาคายผลเป็นคู่ที่สองอนาคายมักอนาคายผลเป็นคู่ที่สามอัตธรรมักอัฐธผลเป็นคู่ที่สี่อัถาโพธิสาวโพครานี้เลี้ยงตัวออกเป็นบุคคลทั้งแปดโซดาปัจมักโซดาปัจผลสองสกทาคามักสกทาคายผล สี่หนึ่งโสดาปเป็นใจมักสองโซดาปเป็นใจผลสามสักคทาใครมักสี่สักทาถาใครผลห้านาคายครมักหกนาคาใครผลเกีติอรหัตมักแปดอรหัตผลเอสามพระคราโตเศร้าสร้างโคนี่แล้วสาวกของโภเมฆภาคเก้าอาเนยโยปาวเนยโยทักจินยโยอันจรีกันยโยโนตังปุณยักเกตตังโลกัสสาติเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของรับทัศนธาทานเป็นผู้ควรของธรรมุญเป็นผู้ควรกราบไหวผู้กราบว่าไม่ต้องกระดาษ ก, กระเดื่องกระร่างกระเดื่องอนุตรังคุญยเขตังโล ก, กัสสาติเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอีกยิง่ยงไปกว่าส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเบื้องต้น อิทธิพิโสปคะวาด้วยอย่างนี้พระภูมิราชก้าอาณาหังท่านเป็นพระรหัา์สมาชิกพรพุทธโตเป็นผู้รู้แจ้งเองเป็นผู้ตัสินุเองโดยชอบวิชาจานะสัมพันโนเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาและจารณนะสุขโตเป็นผู้ไปดีแล้วคือสู่พระนิพพานโลกวิถูรู้แจ้งโลกอนุตโรเยี่ยมพุทธิสาธรรมสาสตร์ทิ เป็นผู้ผู้ฝึกตนเหมือนนายสารธีฝึกมาสัดชาเทวมนุษย์ซาลังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้ตื่นจากหลับพักข่าเป็นผู้จำแนกทำมีทานศีลภาวนาเป็นต้นพักข่าวตืน่นบขบเรือมดพระบรมศาสนาขบริอมรดกทำคําสอนของพระบรมศาสนาขบเรือมรดกพันธ์ยาสงของพระพุทธเากเจ้าขบริอมรด ส่วนต่ํากว่านั้นลงมาก็เป็นโลกีทำอ่านว่าธรรมทำทรงอยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีก็เรียกโลกีธรรมทรงไว ra, ้ซึ่งโลกุตระก็โลกุตระธรรมโลกีนั่นคืออย่างไรคือต่ากว่าพระโสดาบันลงมาเป็นโลกีธรรมนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพ ร, รุทธานเป็นโลก ρα, ุตระธรรมธรรมจำพวกนี้ใครเป็นผู้สามารถรู้ได้ก็นอกจาก สาวกสาวิกาและพิสูจสา ม, มเณรผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้ได้ผู้ไม่ปฏิบัติก็รู้ไม่ได้ใครเป็นผู้รู้จักเกลือเค็มก็คือผู้กิบเกลือหรือกินเกลือลองดูปฏิบัติสบายมากเพราะเหตุใดคล้ายๆกับไม่ผู้หาอาหารมาให้แล้วอาหารก็ไม่บูดไม่เน่าเราต้องการชนิดไหน แล้วก็ลางมือเปืบเท่านั้นเราไม่หามาไม่ได้หามาเลยอาหารน่เชิญเถิดใครต้องการอาหารชนิไดไหนก็รับทานซักดื่มซักถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็นุ่งทงซัถ้าเป็นท่อน้ำก็เตียงแล้วเดินซัถ้าเป็นที่นอนที่นั่งก็ไม่มีขวากม่น้ําต้องการนอนก็นอนซัถ้าเป็นท่อน้ำก็เดินซักไม่มีคืน่น ไม่มยารกบปรคุมเลยพวกเราทั้งหลายเป็นคนมีบุญมากเกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่ท่านได้สร้างบารมรีมาแล้วยอมเป็นยอมตายสร้างบารมรีมาให้พวกเราพวกเราก็มีแต่ล่ามือเปื้นเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็ยังจะมาทุ่มเทียงพระบรมศาสตร์ช่วข้อต่อครูอยู่ช่วข้อต่อครูคือยังไง คือท่านห้ามมาให้เล่นเลขเล่นผาก็พาเข้าไปเล่นเลขเล่นผาเรียกว่าสู้ข้อต่อครูท่านบอกว่ามันเป็นทางชิบหายเราก็ไปเถียงมาเป็นแก่ทางเจริญนะเป็นส่วนมากนีะใครเป็นผู้บัญญัติสิ่งที่จเจริญและชิบหายถูกสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปบุญคุณโทษใครบัญญัติถูกก็พระสมามาสรมพุทธเจ้าเท่านั้นบัญญัติถูกหรือถ้าขอนอย่าเอามาเอ่ยเลยมีมนุษย์สมัดสวรรค์สมัดพรหมสมัด นิพพานสมบัติบริบูรณ์แล้วมนุษย์สมบัติคืออะไรมีทั้งวัตถุในนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยอารมคติก็ดึงวัตถุนิยมไปในตัวด้วยถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยนี่อุดมณคติและอายต่อบาปกลัวบาปนี่อุดมคติไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดชิ้นห้านี่อุดมณคติไม่ใช่ได้อย่างร่วงอบายามุขนี่อุดมณคติ ไม่แคายด้จะจะถู อ, อยู่ยงคงกระพันนี่อุดมกติไม่ใช่ได้อยากจองเวรท่านผู้ใดนี่อุดมกติไม่ใช่ไดอยากจะคบมิตรชั่วนี่อุดมกติไม่แสเสียดายอย่าพล่วงมิตรสาอาชีวะเรื่องชีวิตผิดเรื่องชีวิตผิดก็คืออบายยมุกทุกประเภทถ้าไปล่วงแล้วก็เรียกว่าเรื่องนะเมิดผิดเพราะเป็นมนุษย์นิบัตรไปด้วย ก็เป็นพรหมวิบัติไปด้วยก็เป็นนิพพานวิบัติไปด้วยถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นมนุษย์สมัติสวรรค์สมัติพรมสมัตินิพพานสมัติไปในตัวใครสอนดีเด่นก็ไม่เท่าพาระสมมาสัพพะตะเจ้าพาระสมมาสัพพะตะเจ้าสอนดีเด่นมากกว่าเพื่อนแม้เป็นพรหมอาจารย์บางต้นด้วยพรหมอาจารย์บางต้นก็คือพระสุปฏิปันโนเป็นได้ทั้งคารวาสและบรรพิตมันที่ตัวฆร า, าวาสสัง มันเนตเป็นพวกครองเรือนก็คือผู้มีสินห้าเราดีๆนี่เองไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสินหา้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายจมูกสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักไก่ความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากคามชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงกันข้ามแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะให้เสมอกันไม่ได้ พระกรรมของกันกรรมไม่อยู่ระดับเดียวกันต้นไม้ก็มีสูงมีต่ำรุ่งโดนตลอดถึงที่ดินก็เหมือนกันจะเสมอกันไม่ได้ตลอดถึงมนุษย์ก็จิตใจไม่อยู่ระดับเดียวกันทั้งหลายก็เหมือนกันก็ไม่อยู่ระดับเดียวกันเพราะเหตุใดก็เพราะกรรมและผลของกรรมจําแนกจําแนกให้เป็นต่างกันใครอยู่ระดับใดก็ว่าถูกระดับนั้น แ่แมลงวั น, ม, ม, นมันก็ว่ามันถูกมันกันมแมลงผู้มแมลงพึ่งมันก็ว่ามันถูกแต่มีปัญหาว่าทําไมจึงมีผู้มีผู้ถือพระพุทธศาสนาอะไรนักขอพ่อพระพุทธศาสนาไม่เป็นาศาสนาที่ต่ําต้อยไม่เป็นหน้าที่ของท่านผู้สร้างบารมีอ่อนจะมาเลื่อมใส่เพราะบารมียังไม่ถึงก็จําเป็นจําไปขีดมากขันกู้อยู่นั่นเอง แต่จะติดอยู่เพียงแค่นั่นก็ไม่ได้ความสําเร็จอยู่กับความพยายามพยายามทางทําความดีก็สําเร็จเหมือนกันพยายามทําความชั่วก็วสําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันวิเยทุกขมัตเจติคนล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรเพียรละบาปบปําเพ็ญบุญเพียรละชั่วทําดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้ใจถึงในทางธรำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายเป็นผู้มีอิสระทำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายเป็นผู้ด่วนในทางธรำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายอย่าด่วนไปทำชั่วเลยเป็นผู้ใจถึงในทางธรรมดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลาย นอกจากกายมันมีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากกายก็มัมีอันใดจะทำดีให้ใจใจเท่านั้นเป็นหัวหน้าทำดีให้ใจใจเท่านั้นเป็นหัวหน้าทำชั่วให้ใจสีจัดสีนลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจบรรจารอบรู้ในที่ใจทำไมเราจึงอาบนา้ำเพราะร่างกายมันสปกปรกทำไมเราจึงปฏิบัติสีนทำ พระจิตใจมันสงบพุทโธอยู่ที่ใดธโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆ็อยู่ที่นั้นนั่นคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจคนใจวิญญาณมันอยู่ในที่นั้นไปที่อื่นแล้วฉิดตัดฉิดลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารับรู้ลงในที่ใจฉีดสมาธิปัญญาของพระโสดาบันกลมกลืนกันอยู่ที่ใจฉีดสมาธิปัญญาของสัคขาคามฆกลมกลืนกันอยู่ที่ใจ ศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคาเมย์กลมกลืนกันอยู่ที่ใจศีลสมาธิปัญญาของพระทหารจบศีลจบสมาธิจบปัญญาแล้วเป็นมหาศีลเป็นสมามหาสมาธิเป็นสมมหาปัญญาปัจจุบันของพระสวสดาบาลเป็นปัจจุบันที่ไม่หลงทางคือไม่ใช่ได้ลองละเมิดศีลห้าดังที่ว่ามาแล้วปัจจุบันของสักษาคาเมยปัจจุบันของพระอนาคาเมยปัจจุบันของพระทหานจะเอามาเทียบกันไม่ได้ เราข้ามทะเลหลงไปแล้วปัจจุบันของพระโสดพระาารสันนั้นที่โกเห็นเองพระโสดารนเห็นเองพระสักษาคามีเห็นเองพระอนาคามีเห็นเองพระอรหันเห็นเองเห็นจบสิ้นแล้วพระอรหันเห็นว่าโลกโกรธหลงของเราไม่มีแล้วความสงสัยในพุทธศาสนาของเราไม่มีแล้วเรีวกว่าเห็นเองเห็นจบแล้วนโมไปว่านอบน้อม หนโมพระสวัสดิบาลก็น้อมน้อมไม่หลงทางไม่หลงทางไม่หลงเพื่อจะเล่นอวายวะมุกพระสวัสดิบาลไม่ใช่ได้เป็นต้นสัทขาคาเมียหโมก็น้อมน้อมไปละเอียดกว่านั้นพระอนาคามีน้อมน้อมจนในมีราคะโทสะพระหันน้อมน้อมไม่มีราคะโทสะโมหะจบแล้วน้อมน้อมเคารพจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีก จนไม่มีโรคจําไม่มีโกรธโกรธจนไม่มีหลงเรียกว่าพระอาคารเรียนโมโจบตรสีขาของพระสสดาวันที่รวมพลกันคือศีลสมาธิปัญญาไตนสีขาของสกทาคามีที่รวมพลกันในปัจจุบันคือศีลสมาธิปัญญารวมพลในปัจจุบันไตนสีขาของพระนาคามที่รวมพลในปัจจุบันคือศีลสมาธิปัญญารวมพลในปัจจุบัน ไต้ซื้ขาของพระอรหันต์ที่รวมพลในปัจจุบันเป็นไต้ซื้ขาศีลสมาธิปัญญาเป็นมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาพอแล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้ธรรมโมสอสงฆ์หมถึงผู้รู้สังโฆปฏิบัติผู้รู้พุทโธพระสวัสวันพุทโธสักกะทาคีเมพุทโธพระอนาคามีพุทโธพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนพุทโธจบแล้วมรสีพ้นสีนิพพานหนึ่งพร้อมทั้งปฏิบัติ ด, ด้วย จึงแล้วนี่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะควรคิดดังนั้นตามกองพระโสดาบันลงมาพระ บ, บรมศาสตามาอหากรับรองเพราะหลายบางทีบางทีก็พ่นมาถึงพระอนาคาอ่าพระโสดาบันว่าบางทีก็วนเวียนอยู่นั่นเพราะเป็นโลกียหนโมโลกีนหโมเลขนนโมผานโมบัตหนโมบทโทเทโททโทบอร์พุทโทเลขพุทธโทาพุทโธบัตพุทโทเบอร์น้องพระพุทธศาสนาลงต่ํา เป็นโลคีบุญของพระสวัสดาวันเป็นบุญบานหน้าบุญต่ํากว่านั้นลงมาเป็นบุญวนเวียนเป็นโลคีบางทีก็สร้างบาปบางทีก็สร้างบุญบางทีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็ไปเกิดเป็นสัตสัจจฉานบางทีก็ไปเกิดอสุรกายบางทีก็ไปสวรรค์บ้างเทวโลกบ้าพุทธโลกบ้าแต่เป็นโลคีวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารยังไม่เดินออกเลยจิตใจ เพราะเหตุใดพระบาลามียังไม่เกิดกล้าถ้าเป็นดอกบวัวก็เป็นดอกบวัวที่กําลังอยู่ใต้น้ํายังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยส่วนพระโสดาบาลโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วพระกทาคามีโผล่ขึ้นอกีกพระนาคามีก็เกือบจะบานแล้วเป็นตูมแล้วเป็นตูมใหญ่ออบานออกบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงที่ส่วนพระฐานบานเต็มที่แล้ว ดอกบัวสี่เรามีแต่ขัง้งพุทธการดอกหรือขั้งนี้ก็มีดอกใต้น้าําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกเสมอหน้ามก็เสมอหน้าเต็มภูมิดอกบาดอกตูมบ้างก็ตูมบ้างเต็มภูมิดอกตุูมไปเป็นที่ศอีกก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกบัวแต่และดอกคล้ายๆกับแต่ละบุคคลก็เดียวกันคล้ายๆกับคนอยู่ในโลก เสีงเทศจะมีกรณีละล่านล่านก็เชี่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นคําสอนก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกมันขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อแกก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกัางคืนเลยเื่อบในทางลึกหน้าห้อน้องครองเมืองวางต่างๆไล้ลงสู่มหาสมุทรเรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยคําสอนใดๆในใจโลกธาตุ ก็ไหนลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกเพจริงอีกนั่นขึ้นอยู่ก็บผู้เรียนรู้และไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลไรทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็ดับเกิดดับอยู่ค้าระหว่างไม่ได้ทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ค้างระหว่างไม่ได้ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงกะเป็นเรื่องของผู้รู้เป็นเรื่องของผู้ไม่รู้พระธรรมทั้งหลายมันมาเอ่ยให้คนไปรู้ ถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรูดทําได้พระบรมสารีรัตน์ถ้าไม่ีอยู่ก่อนเราจะสามารถรูดทําได้เอ้าถ้าชาวโลกมไม่ศรีษะบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีตารวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีกุญแจก็ไม่ต้องมียามก็ไม่มีเวรก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอันนั้นราคาตอนนั้นอันนี้ราคาตอนนี้เอาไปวางไว้ตอนเย็นมาก็มาเก็บเอา เขาเกงลมจะปริวพัดปลิวไปเข า, เอาอะไรทับไหวที่ชาวโลกอนุมานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหลวงระเมิดศีนห้าศีนห้าเป็นศีลที่ปกครองโลกให้โลกสงบเหตุนั้นพระสวัสดิวันจึงไม่เสียดายหลวงระเมิดพราะเป็นเวนเป็นไฟจก่งๆคำว่าเวรมนีเวรมนีนั่นคือเว้นแล้วเวนอันนี้ว่ า, ย า, า, าอย่างนั้นเนาะที่ข้าประดังสมาธิยาไม่เป็นทิ่ข้าบดหนึ่ง คือบทของความผิดและบทของความถูกเมื่นบทผิดแล้วก็มันเป็นถูกในตอนนั้นไม่มีเว้ไม่มีภัยคนร้ายคนหมูคนฟักคนพว ก, พวกของชาวโลกติ่ตั้งขึ้นไม่มองดูสินหา่ามันก็ไปไม่รอดมันก็อนรมานอยู่ทุกหย่อมหญ้าหมูมากลากไปถ้าลากไปทางดีก็ดีลากไปทางไม่ดีก็ไปตกเหวกันหมดทิงเองนี้พระบรมศาสลา ด้รู้แจ้งแล้วจึงทรงพระนามวโลกวิทูเพราะได้ประสบการณ์มาแล้วพวกเรามาทําผิดก็มาล่วงแล้วก็มาล่วงผิดที่หลังขององค์พระองค์ในล่วงผิดมาก่อนพวกเราแล้วจึงได้มาสอนพวกเราไว้จึงทรงพระกรุณาดังสาคโรโปรดหมู่ประชากรวัดอกขะกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี่สุกเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันพ้นโศกวิโยภัยพร้อมเบญปปิตจัก สุดจะรับมีมนลใสเห็นเหตุที่ใกล้ๆก็เจนจบประจับจริงกําจัดน้าใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัดโลกได้พึ่งพิงมัฏฏบาปบาเพ็ญบุญข้าขอประนบน้อมด้วยเสียงกล้าววังคมคุณสมพุทธการุณตลอดกาลนานธรร ม, มคือคุณากรสวนชอบสาธรดุจจะดวงประทีตชัดถวาล แห่งองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สั้นดาลสว่างกระจ่างใจมนุษย์ทำใดนับโดยมรขนุนเป็นประกษึ่งยนนักกล่าวกับทางพระนรพลส่ง้าโรคอุดรพิสดารอันเลิกอลาราพิสุทธิพิเศษสุกใจอีกทางต้นตำนรับายนามขนานข้างไขปฏิบัติปริยักษเป็นสองคือทางดำเนินมุตตรองให้ร่วงรบรองยังโรคอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนมุตจมง นกทำจานงด้วยกิจและกายวายกายเราจึงได้เอืออย่างนั้นจึงวฏิเศษอย่างนั้นยังกินจิรัตะนังโลกวิจิตติเวทางพุทโธรั ต, ะตะนังพุทธะสมังนัตถิตัดสมัโสโธที่ภววนโทเตรัตนะนันใดในโลกนี้จะเสมือนเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนั้นปฏิเศษแล้วนัตถิมี นติเมชนาลงานอย่างชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยกล่าวคาศัตย์นี้ขอความสวัสดีต้องมีแกเราอยู่ทุกวันถึงจะเรียกว่าตั้งปิญญาหรตั้งสัจธรรมมีถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัจจังเวอมัตตาวาจาความจริงเป็นคำความอันไม่ตายบุคคลผู้มีปัญญาย่อมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใส สิ่งจเป็นคนเรื่อมใสก็ตรงกันข้ามบุคคลผู้มีปัญญาย่อมบูชาในสิ่งที่ควร บ, บูชาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพบางท่านบอกว่าหาเสียงซิใครก็ถือศาสนาพุทธมากอหาเสียงสิจ ะ, สงสจะหาทําไมเราเป็นมแมลงผู้แมลงพึ่งแล้วน่าจะไปขอเสียงกับมแมลงวันมันจะให้เราหรือมันก็ไม่ให้ใช่ไหม ต้องหาเสียงกับพวกมแมลงพึ่งด้วยกันมันถึงจะให้คะแนนกับหาเสียงกับมแมลงวานมันก็ไม่ให้มันจะมายินดีกับมแมลงพึ่งทําไมนะบางคนบางคนท่านบอกว่าผู้จะนับถือพระพุทธศาสนาต้องหาเสียงมาสักราดคนสิอืพอราดไหมอ้มอาพนมก็ดี นครปฐมก็ดีนครศรีธรรมราชก็ดีหรือทุกคนทุกแห่งก็ดีอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือพระพุทธรูปมีเต็มโลกมีเต็มประเทศไทยอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือที่ฝังอยู่แต่ดึกดําบรรคุดได้คอหักคอขาดอยู่สารพัดเกื่อนกาดอยู่ที่อยุธยานพระพุทธรูปเข็นอยู่เกื่อนกาดอยู่ก็มีในสมัยที่รบกันกับพม่า เขาตัดคอเกลื่อนการอยู่ในพระบรมราชาวังอันนั้นไม่ใช่เสียงดอกหรือพระตไตรปิฎกมีทั้งผู้แสียงสายก็มีทั้งสยามรัฐก็มีทั้งกรมการศาสนามีทั้งทานศีลภาวนาบริบูรณ์วัดแล้วอันนั้นไม่ใช่เสียงดอหรือจะไปหาที่ไหนอีกพระตไตรปิฎกสี่สิบ้าเล่มก็มีร้อยเล่มก็มีบริบูรณ์หมดทั้งอัฏฐสร้างพยัญชนะอันนั้นไม่ใช่เสียงอกหรือจะไปหาที่ไหนอีก ก็มีแต่บ้าแหะไปหาแล้วก็พูดอะไรนั่นแหละทีนี้เอ้าหน้าที่ของคารวาสเขาเป็นรมศาสนาสอนแล้วคารวาสที่ทําต่อพระภิกษุสามเณรหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามโดยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา สีด้วยความไม่ผูกเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยห้าอเมธสถานขาราวา่าบำรุงภิกษุสา ม, มเานิะนี่แล้วพิกษุสั ม, มเานคคนทำอย่างไรหนึ่งห้ามกระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวนให้ นั่นนั่นนั่นนั่น น, น, น, น <Yeah. S 1> อันไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนใหม่ม่เลยจากนี้ไม่จัดเป็นองค์มุสาวาตนั้นมีหลักตัดสินโทษอยู่สามประการคือประโยชน์หนึ่งคุณหนึ่งกิเลสหนึ่ ง, งอธิบายว่าถ้าประโยชน์ที่เสียไปเพราะมุสาวาตนั้นน้อยก็มีโทษน้อยถ้าประโยชน์นั้นมากก็มีโทษมากถ้าเจ้าของประโยชน์นั้นมีคุณน้อยก็มีโทษน้อย เจ้าของประโยชน์นั้นมีคุณอยู่มากก็มีโทษมากกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อยกิเลสกล้าก็มีโทษมากมูสาวะนั้นมีองศ์สี่คืออัดถังอัดทุ่งสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้หนึ่งวิแสงวาทนะจิตตังอิดคิดจะพูดให้ผิดจากความจริงหนึ่งตัดโชวาญโมพยายามพูดออกไปตามที่คิดนั้นหนึ่งปรสัสสะตัฏฐวิชานันทนัง ผู้อุ่นรู้เนื้อความที่พูดนั้นหนึ่งอันนี้เป็นวจีกรรมข้อที่หนึ่งวจีกรรมข้อที่สองนั้นได้แก่ปิสุนาวาจาคือการกล่าวส่อเสียดด้วยการแลียวาจาของผู้มีใจเศร้าหมองโดยคิดจะให้ผู้ที่ตนส่อเสียดนั้นแตกแาวจากกันหนึ่งหรือรักไข่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งมีหลักตัดสินโทษอยู่3ประการคือถ้าผู้ที่ตนส่อเสียดนั้นมีขุนน้อยก็มีโทษน้อยมีขุนมากก็มีโทษมาก ถ้าผู้ที่ตนสอนเสียดนั้นไม่แตกร้าวกันก็มีโทษน้อยถ้าแตกกันก็มีโทษมากถ้ากิเลสอันเป็นเหตุให้สอนเสียนั้นอ่อนไปก็มีโทษน้อยถ้ากิเลสนั้นแก่กล้าก็มีโทษมากปิสุณาวาจานั้นมีองค์สี่คือพิน ท, ทัตโพ ป, ปะโรผู้อื่นที่ตนจะทําให้แตกกันหนึ่งเททะปุเร ข, ขารตาวาปิยะกัมมยตาวาตนคิดจะให้เขาแตกกัน หรือจะให้เขารักตนหนึ่งตัดโชวายาโมพยายามสอเสียดออกไปตามที่คิดไว้นั้นหนึ่งตัทธะวิชา น, นัผู้อื่นรู้เนื้อความที่ตนพูดออกไปนั้นหนึ่งรวมเป็นองค์สี่ด้วยกันแต่ย่นลงเป็นสองคือพูดสอเสียดผู้อื่นหนึ่งเขาฟังคำพูดของตนออกหนึ่งวจีกรรมข้อที่สคือผลสวาจาอันได้แก่การกล่าวคำหยาบคายนั้นหมายการด่าว่าสาบแช่ง ด้วยเจตนาร้ายถ้าเจตนาดีถึงจะกล่าวคำหยาบคายร้ายกาจอย่างมันดาบิดาด่าว่าบุตรทีดาหรืออุปชาอาจารย์ว่าสิทธนั้นไม่จัดเป็นผลสวาสาถ้าเจตนาร้ายถึงแม้ว่าจะกล่าวอ่อนหวานอย่างไรก็ตามเช่นคำกล่าวของผู้ประสงค์จะให้ค่าว่าพวกท่านจงให้ผู้นี้ไปนอนให้สบายดังนี้เป็นต้นก็จัดเป็นผุสวาจาเพราะเจตนาของเขาเป็นเจตนาชั่วร้าย พระุตวัจจานี้มีหลักตัดสินโทษอยู่สามประการคือถ้าผู้ที่ถูกว่านั้นเป็นผู้มีคุณน้อยก็มีโทษน้อยเป็นผู้มีคุณมากก็มีโทษมากหนึ่งว่าในที่รับหลังก็มีโทษน้อยว่าในที่ต่อหน้าก็มีโทษมากหนึ่งกิเลสที่จะให้ว่านั้นอ่อนก็มีโทษน้อยถ้ากล้าก็มีโทษมากหนึ่งเมื่อว่าโดองค์มีอยู่สามคืออโกสิตโพปโร ผูที่ถูกกล่าวว่าหนึ่งกูปีตจิตังังจิตคิดโกรธหนึ่งอกโกสณาการด่าว่าออกไปหนึ่งเมื่อยดลงไปก็เป็นสองคือด่าว่าออกไปด้วยเจตนาร้ายจึงจัดเป็นวาจายาบคายวจีกรรมข้อที่สี่คือสัมผัป ร, ราประวาจาการกล่าวสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นย่อมเกิดขึ้นทางกายประโยคและวจีประโยคทําให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ มีหลักตัดสินโทษอยู่สามประการคือถ้าพูดน้อยครั้งก็มีโทษน้อยพูดมากครั้งก็มีโทษมากหนึ่งไม่มีผู้เชื่อถือก็มีโทษน้อยมีผู้เชื่อถือก็มีโทษมากหนึ่งกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อยกิเลสกล้าก็มีโทษมากหนึ่งเมื่อว่าใดองค์ก็มีอยู่สามประการคือการกล่าวเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เช่นเรื่องภารยัตยุ คือเรื่องรบของเท้าภรรยและเรื่องตามศีดาเป็นต้นหนึ่งผู้ฟังเชื่อถือหนึ่งสิ้นวจีกรรมสี่เพียงเท่านี้มโนกรรมสามข้อที่หนึ่งนั้นได้แก่อภิชาคือความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวมีหลักตัดสินโทษเหมือนกับอธินาทานมีองค์สองคือประภพันธ์ทางของที่ผู้อื่นหวงแหนหนึ่งอัตโนปรินามนางัง คิดอยากน้อมมาเป็นของตนหนึ่งมโนกรรมข้อที่สองคือพยาบาทนั้นได้แก่การคิดตำรายประโยชน์สุขของผู้อื่นมีหลักตัดสินโซดเหมือนกับรุษวาจามีองค์สองคือประสัตโตสัตว์อื่นหนึ่งตัดสะวินาสจิตาคิดความพิดาศให้แก่สัตว์อื่น มโนกรรมข้อที่สามซึ่งได้แก่มิจฉาทิฐินั้นหมายถึงความเห็นผิดจากความจริงเช่นความจริงเป็นของไม่เที่ยงแต่เห็นว่าเป็นของเที่ยงดังนี้เป็นต้นมีหลักตัดสินโทษอยู่สองประการคือถ้าอบรมน้อยก็มีโทษน้อยอบรมมากก็มีโทษมากหนึ่งไม่เป็นนิยตามิจฉาทิฐิก็มีโทษน้อยเป็นนิยตามิจฉาทิฐิก็มีโทษมากหนึ่งมีองค์สอง คือวัตถุโนขะหิตาการาวิปริตาปิปริตาสิ่งที่ตนถือนั้นผิดจากอาการที่ตนเข้าใจหนึ่งตัดสุ ป, ปัฏฐานังปรากฏไม่ตรงตามที่ตนถือนั้นหนึ่งนิยตามิจฉาทิฐินั้นได้แก่อกตริยทิฐิเห็นว่าบาปุญไม่มีหนึ่งอเหตุกทิฏฐิเห็นว่าสิ่งที่ตกแต่งให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่มีหนึ่งนัตถิกทิฏฐิ เห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ผลแห่งบาปบุญหนึ่งความเห็นผิดทั้งสาประการนี้เป็นความเห็นผิดที่ร้ายแรงห้ามสวรรค์นเนือรือ้านทาให้ผู้มีความเห็นผิดสามประการนี้จมอยู่ในโล ก, กันตรนรกตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็เลยตามที่แสดงมาแล้วนี้เป็นอันว่าด้วยบาปกรรมพร้อมกับหลักตัดสินโทษและองค์โดยสังคีตไนส่วนผลแห่งบาปกรรมทั้ง10ประการที่แสดงมาแล้วนี้ย่อมมีอยู่ต่างๆกัน แต่รวมใจความว่าบาปกรรมทั้ง1ิประการนี้ให้เกิดความทุกข์แก่ผู้กระทำทั้งนั้นคือให้ผู้กระทำไปเกิดในอบายภูมิสี่มีนรกเป็นต้นทั้งนั้นเมื่อเกิดมาเมื่อเกิดเป็นคนก็ให้เกิดเป็นคนไม่สมประกอบทั้งนั้นผู้ที่ทำบาปทั้งสิบนี้ไว้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมไม่พ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่คนทั้งหลายจะทาบาปกรรมทั้งสิบประการนี้แม้แต่ประการใดประการหนึ่ง เพราะเมื่อทำเข้าแล้วก็จกต้องได้รับผลคือความทุกข์ในชาตินี้แหละชาติหน้าเป็นแน่แท้ไม่สงสัยสิ้นใจความในธรรมธาธิบาที่ขยายออกมาจากพระพุทธอุทานว่าถ้ากลัวทุกข์ถ้าเกลียดทุกข์ก็อย่าทำบาปกรามถ้าทำก็จกหนีไม่พ้นทุกข์ดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเะนนี้พูดไปไหนก็อันเก่า ผู้พูดก็ผูเ้เก่าผู้ฟังก็ผูเ้เก่าผู้ปฏิบัติก็ผูเ้เก่าผู้ไม่ปฏิบัติก็คือคิดใจนี่เองก็คือผู้เก่านั่นเองพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้ฟังอะไรผู้ปฏิบัติมาหาผู้ฟังก็ผู้อา่านผู้ไม่ฟังมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกรับหลัง ถ้าทำดีก็ถูกทางดีถ้าทำชั่วก็ถูกทางชั่วทำคำสอนพระพุทธศาสนาเทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาก็มีดีกับชั่วเท่านั้นอันอื่นไม่มีเทศอยู่มดคืนก็มีเรื่องดีกับเรื่องชั่วเท่านั้นเทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาก็มีเรื่องดีกับเรื่องชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วไปมันก็เป็นพระหรันซะเวลาเราภาวนา มันมีศีลอยู่หรือไม่มันก็มีศีลอยู่ถ้าเวลาเราภาวนาอยู่นั้นเราไม่ได้ไปทำร่วงศีลถ้าตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวก็เรียกว่าสมาธิถ้าราบลู้ในอันภาวนาอยู่นั้นก็เรียกว่าปัญญาตกลงศีลสมาธิปัญญาก็รวมผลกันอยู่ในขณะที่ภาวนาอีกเหมือนกันถ้าทำมากก็พ้นจากกิเลสของตนไปเป็นชั้นๆถ้าทำน้อยก็ไม่พ้น แต่อาศัยชาติก่อนมาอีกเหมือนกันชาติก่อนเคยได้ปฏิบัติมาเป็นทุนมาหรือไม่หรือปัจจุบันนี้ก็ดีแต่เกิดมาได้สร้างกุศลพลบุญมาเป็นเนืองนิดหรือไม่อาศัยความพยายามอาศัยความภาคเพียรไม่ได้เยทุกขามัจเจติคนร่วงทุกข์ได้กว่าพราะความเพียร วายเมเถวปุริโสเป็นชายก็ภาคเพียนล่ำไปวิทยทุกขมัจเจติคนร่วงทุกได้ก็เพระความเพียนเพียนระบาบบำเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายเพียนและชั่วทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันเพียนระบาบบำเพ็ญบุญก็มีความหมายอันเดียวกันเพียนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ละทิ้ง หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีความหมายอันเดียวกันเพียรในโลกีเพียรในโลกุตระเพียรในโลกีก็เทียนธรรมะหาเรยียงชีวิตตามธรรมดาไม่ได้สนใจเพื่อมักผลในพาความเพียรของพระสวสดาวบันความเพียรของสักทาคามีความเพียขพรย ข, อาายของพระอนาคามีมีสูงต่ำลุ่มดอนกว่ากันอีก ปัญญาก็เหมือนกันเจตนาก็เหมือนกันทีนี้ท่านผู้ใดมีสิ่งที่จะปาลบก็บปารบซะได้ทราบข่ า, ขาวว่าจะมีผู้ปารบอะไรอยู่ปารบซะมีผู้จะถามอะไรอยู่ต้องการถามก็าถามซะพระได้พดันธะกันแล้วให้มีอิสระทุกท่าน เทศอันไหนไม่จุใจก็ถามมาเทศขนาดนี้เราฟังอยู่บ้านก็ได้หรอกเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นไม่ได้มาไกลที่ไหสงสัยอะไรก็ปารลบซะเดี๋ยวจะถือว่าไม่คุ้มไม่คุ้มที่มาไกลเราเนึกอยากจะปาราลอันนั้นนี่อยู่ก็นึกอละอายว่าอย่าได้ว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ให้พรใช่นะสัพโรคเวเนมุตโตสัพสันต์ตาภวติโต สัพเวนมปติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสพีติโยเย ว, วัจจันตุสัพปะทุขก ส, สพโย ส, สัพโรโววีนัสจตุมาเตปวัตตัน ต, นตรยโยสุขีทีคายุโกพร ะ, ะอาภิวาทนาสีนิสานิจังมุตธาปจายโรจัตตาโรธรมาวัตันติกายุวโนโสุขังพระราวาภาษามคต เป็นไทยเป็นสังโยกไม่ได้ว่าเป็นสำเนียงระคดภาวนายังมีต่อไปอกีกภาวนาของใครของมันเน อ, อถ้าสงสัยก็ถามกันถ้าใจประเทศหมดคืนนี้มันก็ไม่หมดเป็นเรื่องภาวนานใครสงสัยตอนไหนก็ต้องถามเอาที่นี่เรื่องธาตุถ้จะดูกจกของ มาเฮ็ดหลังวังนี่เนี่วังหลังลงปูหมันนิพพานนี่เนี่ยก็คิ่แต่ว่าไม่พู้ได้จะเฮ็ดธาตุาาเลยจะเฮ็ดไส้กะดูกจะของดอกนาเฮ็ดวังหลังนี่หลวงปูมันก็ บ, บอกให้เอายสามคืนโอ้ถูกแล้วให้เฝ้ายามไหนให้เฝายามนั้นพระสันเป็นเฝ้าแล้วจ้งให้ไปสร้างประหาพี่น้องเข้าจังงสร้างประหารแต่คนทําให้ใจดีพราสัน ให้เขาคงจักว่าตายแล้วหรื อ, อยัง่งท่าดนหนึ่งดอกอาสังญาณเขาเป็นห่วงอาสังเจ้าคนถ้าไม่จริญกระ บ, บอกคนเศร้าอาสังขนาด น, นึงมูอเห่ามันเห็นว่าเพิ่นมันกะดูกไม่คาวเลยๆค่อยหาอาบายเลาะไปหานไปเนี่ยเสนอเรื่องมันก็เลยล่ามขึ้นแล้ล่ามขึ้นตลอกแต่นั่นหาเราไหวศพจังไรกับวัยวัดศพจังไรกับวัยวัดญาพญายาตายัาง ก็เลยทำมาทำมาทำมาเอาน้ำอัดลมมาเอาน้ำอัดไฟมาเลยเอาตังมาเอาตังมาเลยแล้วผู้จวนที่เขาเนี่ยแล้วผู้จวนตกลง ก, กันว่ได้เชี่ยวขึ้นมาแต่เหลือเกินว่าเอาห่าพอทันเปีกลับเีกลับกับแม่ทันเปี๊ยกรับถือเกินข้ า, าวเนี่ยเชี่ยวขึ้นมาก เอาแล้ปู่ไปเอสันไ่ได้หรอกเอาันจะขึ้นกับว โ, โยเาสันโซเลก็ด้วยเียนี่าสันจกักรีเผาว่าเผาสั้าไปเ้ากระบอกเผาหลดเนี้ยเอาไว้เหงังเอาสันไฟไมายา้มันก็ท่านตัวสันเนี่ยยินงฆ่าว่าตายมาแล้วเรากัท่านขึ้นนั่งเขามาอยเอาสันของเมียนบอกว่าเน้มาย่มเนี้มันกัตายเดียว่ะกับเผ า, าตีวะก็เล็ตกหลงเผาแล้วพระเจ้าอาวาสพระิสั่งห้เอาลก็บก <laughs> จักเจ้าอาวาสยหัน ได้ไรเผาดท้เลยฮะไม่อย่างนั้นก็ไปจีบไอ้ท่านตามสติกาลังแทระกับเผาโดนเตลกับท่านอุ่นกัเลยมากแล้วปู่มาหาแห่งหมอาสบายตัวจับซัดต้องเหี่ยวเหมนเพราะว่าเจ้าตัวเ <laughs> ดี๋ยวปู่อยู่อยู่พูดอยู่เขาจับซัดต้องเหี่ <laughs> ยวพุมนเดี๋ปู่อยู่ดินเพื่อนกับจับศาสตร์นี่สู้ไปร่วนเผาร่วนเหหวปเ็นแห่งหมอาสบายตัวอยา่างเงี้ยนีเข้าวับผูน้นันน้นจีบธาตุผู้นี้จีบธาน เหมือนพ่อตีหุ่ขี่มาใส่มุนมุงกลองตัดผอมบอมันปีนุขะะนขีมาหลยบอกตัดผอมขี่สัตว์เราอมบอกแล้วผู้มหาด้มันงายเลยเหมือนจะฉลาดหระเข้าไปเมือไเท่าไปบอกทักญาตไปัญญาเราอว่าก็ไรบอกญาติปัญญาญาติพันธ์เหมือนดูได้ฉลาดแต่น้าว่ า, างเสียหรอ ญาณโลกญาณร้านีสลากแข่งกันนะสันจะาของน้องอยู่สุกชุกกระสนมุ ป, ปากได้เหรทุักระย่าทีตายทั้งญาณทั้งโลววกอันเหรอเขาโอกาสพระสัน์นนกับบุปผาเปนพระเมรุกับในหายเศ้าสัตั ว, ว น, นั่นมาทันมีก็มาขอไว้แล้วขอหลวงปู่มหาจ้าเอเพนเอามาใส่ไว้สั น, น, สนไฟก็เป็นธบัตคือกันมัดพระสันต์ตั ว, วอัน พวกเจ้าหน้าเนี่ก็คือกันชามลุงเลียนก็นมาขอเงินมาสั่เห็นหลงพญาบาลก็มาขอเงินมาสั่งว่าหเงินหลวงเลยากกันไปกินมาสั่นห้่างทีส่สาตาตราจได้าไว้ชว่าจ ต, ต, ต่อไปเองอยู่โตงเยเศร้าอยากพนาก็รยกว่าฝากดอกสงเสียหายเนี่ยส่งเสีงยงเงเนี่ยง้าองกมออกฝกต้นอยู่ละด ป่ะ่าเข้าสูงสทแท้ๆผัดผ้า่าได้รเราพูดมาลเฮ็ดช่องย า, ร, า, ย ร, ายร้ายผัดห่าสาเรื่องพันพวเมร์เนี่ยนั่งนึกมันไปหาพันนกักแย้งง่ายออกยังเต๋ยวพวกพวกสูงๆอ่ะอีนี่มึงเที่ยวมาตายยังกระด๋อฉันมาหาพระเนี่ยไหาผี บ, บกอก <laughs> มันมาหมดผวปากเรื่อมันเอามาหาพระไปหาผีบอกมันมา่าแล้วเราจะโดนอะไ สูงก็ไรก็ได้วัดหัวไปเลี้ยวเลี้ยวล้างมาถึงเลี้ยวหัวข้างอกเห็ดเขาห้งยานเขาได้แพงหายเจ้าคนพม่าหนิว่าไรมีเห็นไม่ผลเนี่ยคนบอกนบุษเฐกับม่เห็นไม่ผลไปแนวนึงแต่ว่างแต่คนอะแนวว่ไม่วไสามาตรวว่าจะเขาย่างเกลน่แห้งห่อ อ, องสมหมายถามว่ามาหลอกเบกิเลตเท่าว่าจะเตุทาตเท่าว่าสั่งโต๊ะคือแต่ค่วหนึงห่งทางพระันดาวบอกลาเทียร์นร่ะแหละทาพระันดาวเผยมู่ฟังว่าจะมาเหุทาตเท่าว่าสั่งพาว่าเออมากราบเรียนโดยสุภาพกราบเรียนโดยสุภาพข้าก็เลยทัทาก็เลยเอิดสงมาปรึกษา โอ้ยพได้ว่าจางหนดอกพ่อหายใจเราจังน้อยแด้วะสัตฮะเนี่ยเฮาก็ได้ควบคิดอันนึงึ้นมา่าจะสองสามเงินอะไรล่ละสองเงินอะไล่ละเออเฮ้ยอฮ้อยหัวหงายเอาดีเห็นขมวดร่างหัวค่อยๆให้แอวม่องหักหัวแห้งให้แอวมองเด้งหัวจะเพ่งเดือนสามหอดแพมเดือนเก่าหัวแต่เศ้า เ, เพดตุ่มจังเศา้า มันก็จะมาถือเข้านี่แ่ละแต่ว่าเข้าว่ามันถูกป่าละมหาบุคคลสีมาเป็นภระหันกิเลสในโลกนี่ยมันจะทอเข้าอ่ะมูโตวัตสุคติก็บ่าทอเข้ากิเลสร่วมกันวัตสุคี่ยังมาทอเข้าเข้ามาหลายก็ยังอยู่ตัวฮั่นเทคือ็จะคลาลุกขึ้นให้เขาจะเฮ็ดเนี่ยฮัเทียบไว้จะค้ายก็เป็นคนมาพอดีตัวเข้า ทูปานามะบุคคลสี่พระสมณทัพพุทธเจ้าพระพัจเจตพระทหันตาชีนาศพพระมหาจักรพัฒน์พระมหาจักรพัฒน์วัพัพระจักรพรดินได้สูงก็นั่นเนื้อมีสร้างแก้วมากแก้วมีเงี้ยหลดแก้วนี่ควรทำเจดีไว้ในใต้คนทางสีแพร่ง คนทั้งหลายมาจะได้การาบได้ไหว้ั่เฮ้าอีอังกีทอฟ้าทอเถียนหลายก็ไม่ทิ้งไม่ไส้ทอมหาสมมุทรลอยโกดมหาสมมพุทธุนอันนั้นตังตื้อติ้วเฮ้ามจะมาเฮดธาต์เฮดไปดเฮตมันก็ไมนธาติเดียวคือเก้าเนี่ยตายไปก็ไใไสคีดินเนเขาเอาล่องกีรถ้าเวงจะซื้ อ, อหรอกสมัยเน่มันจะไปเท่วไหเขาจะว่านเนาะเราจะเข้าใจว่าเขาอกยีหรือว่าเนีเขาล่องกีรถ้าเง เขาบ้องแกงงวดถือว่าิจตาเนี่ยว่าเก่งอย่างี้ว่ะกูจะลองกิเลสตรงขนาดเขาจีว่านี่นะเจ้าเขาใจว่าเขามีศรัทธาเจ้าดีดีว่เขาลองกิเดสเทาเบิ้งกระไรอยู่ว่ะีว่านยังไงเนี่ยมีไปแช่อะไรจีว่านยังไงเออมันคอนลอยแปนประการนี่อันมั่นีัมันมค่นเดือตื่นนะหลอกบางจิเลสคนดีเได้ฮะเนี่ยงามอะไรนะฮะเนี่ พูดเรกินเหล้าพูด่งอง้าเฮ้นิาได้บ่พี่ารู้มีโทษ บ, บ่ไม่โทษโทษูมันมีโทษบารมีนั้นโทษโทลูกมาบอกคืบบบอบอ่ามากวัชนอไอตันว่าสิธาพระเพิ่มทายยเนี่ยนี่วัชนะแล้วปูทายยเนี่ยจิพาหนาที่เน่าวัชนสามจิพานาที่เนี่ชน พระสงส์เสนสรา้างห่มมีแนวให้เพื่นถาโตโตมาก่ท่ า, าทนกับมาบอกวที่สุธเอาเนเตอยุทธทพได้ผลสรา้างหอให้สงทั้งหลายถาจังเลยโตยุทธทได้ผลกาภาษาโยคณละบอนผลมเมื่อคืนนมาจากเตือกมาน้ากันยสมื อ, มม อ, มอ ส, มสองแม่นบอกม่าน้ากันยสมือสองแม่นบอกเฮือจังมาบอกคนถา สัขนาดมาเนี่ยไเียบตัวไปรับกติวัตสมนรอสตัดส้นยังหน่อยเมื่อใดยาามไม่ตัดสีเสียไหมยาวสีเสียเสียลูกแคแม่เจ๊ผัสสัขาาดมาแล้วกิวัตสมนรอยอเรียอยุ้ย้าเนี่ยยอเรียอยู่วัน สีสีอ้ไรไปสั่งแล้เพิ่นองค์สมเด็จทวารลำลาซาเพิ่นทรงพระมหากรุณาให้ยพัดหยดเป็นจับคุเนเข้าไปในบ้านให้ระ ว, วังหม า, าหน่อยเขาได้เริ่ไปอย่าหมาหน่อยเขาตายได้ไวะโอ้ช า, าหฮานี่ย่หนาแย่หลังจะแส่ยว่าตะเดียวกาะโดดไอชาสีแล้วพปูมหาเก่งกว่านั่นเลย เพนเฟียนเฟนของเอาจังได้ประผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นี่ก็หวปผู้ใหญ่พเเข่ากันกลงสมเด็พระทังสังขารรสละเพ่นของได้รางวัลบะบ๊ะพระอาจานย์ว่านบ่เอาดอกว่าจันคันห้เป็นสังขาราษฎร์ิตลองมึงจะหน่อยหรือแม่าจันบ่ถ้าเพิ่นเอาเอามหายเล โมมีเสียงมีตว้อนพระอาจารรอนเหเป็นสังกะระต้องร้อมึงจังมือต้องมือละแม่บอกบอกฉันี่วมาฆ่าว่าระบายวัดเสียงนนรพระนายนารวี่เครียดตัวพ่นายนารวี่พูดเดว่าท่านจะคุณนสี่ก้อไ ม, ม้เหมือนตัว อธกรอธิกรแบบหนึ่งไประงับแบบหนึ่งมันก็ไม่ถูกมีปัญหาสอดเข้ามาว่าวิธีระงับอธิกรในเกี่ยวกับเรื่องเมถุนสังโยคเกี่ยวกับกับเมถุนธรรมเจาะเลือดมีมากมีหรือไม่คางพุทธกาลถ้าไม่มีข้างพุทธกาลถ้าเจาะเลือดที่นี่ ก็สงก็เรียกว่าาราวาสตัดสินก่อนคณะสงฆ์ว่าเป็นปลาชิกเรื่องเป็นปาราชิกอย่างนี้มันจะเป็นธรรมหรือไม่มันก็ไม่เป็นธรรมทีนี่วิธีเ็พเมถุนทีนี่องค์มัตทั้งสองไปจดกันมันก็เป็นปราชีกแล้วจะไปพูดอะไรถึงถึงลูก ถ้าคนไหนไปล่วงแล้วเมิดมีลูกจึงเป็นประเชกดอกหรือนี่เร่าเมียันแยงได้บ้างเนี่ยท่างนั้นไปพูดทำไมมันก็ไม่พูดไม่มีประโยชน์เราก็พูดอย่างนี้ท่านี้ถามหาเวละมหาเวละข่าแล้วไงท่านมหาท่านเคยเรียนหนังสือมามากอาชก่อนนี้เมื่อสง เป็นหน้าที่ของฆราวาสระงับหรือไม่ผู้นี้ไหว้าเทียงเข้าก็พุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่เป็นผู้รักษาพุทธศาสตร์นะเขาก็สามารถระงับได้พุทธบริษัทสีมาร่วงอุโบสถสังฆกรรมได้หรือไม่เขาถามมาเนี่ค่าระบาดเลยท่านสวดมาร่วมสวดปฏิโมกข์ไม่ครบองค์สง์อย่างนี้มาได้หรือไม่เขาบอกว่ากแล้ว ไม่ครอบอุปสมบทมาได้หรือไม่ไม่คบกระถินมาได้หรือไม่ไม่ครอบอับอัพานมาได้หรือไม่มานั่งหัตถบาตได้หรือไม่ค่าห่อนะไรข้าเ่ อ, ห, อห่อถามดนค่ะคิดของสงฆ์ไม่ใช่คิตของฆราวาสฆราวาสแม่สองตัดถินว่าสังฆาจีเสดหรือปาราจิติหรือเป็นปาราชชกแล้วหน้าที่ของฆราวาสมีจึงเอาไปทํามันจึงถู ก, กว่าสันาวาังสิจะไปลงโทษก่อนสงฆ์มันก็ไม่ถู ก, กว่าสันาวาังสิก็เว้นไว้แต่ผู้นี่ ที่ไม่มีพักมากเพราะถึงมีพักมากเราจะไปทำอย่างนั้นมันไม่ถูกเลแล้วงับแล้วมันก็มาเทียงกันยแค่เก้า่น